และนี่คือรายการมรดกไทยนะครับเราออกอากาศเป็นประจำที่ FM 89.5 เมกะเฮิรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับความสุขความสบายใจเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะถามคุณผู้ฟังว่านิยามของความสําเร็จคืออะไรนิยามของความสุขคืออะไรและชีวิตที่มีความหมายนั้นมีนิยามว่าอย่างไรวันนี้ที่พูดถึงเรื่องนิยามด้วยคําถามนะครับเพราะว่าทุกช่วงของรายการมรดกไทยจะมีคําว่านิยามไปเกี่ยวข้องอยากละนั้นเลยครับผมมาแจ้งรายการว่าทั้งสี่ช่วงวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับ วันนี้ในช่วงมรดกเพลงไทยนะครับผมจะนำเสนอเพลงนิยามรักความรักให้ทั้งความสุขแล้วก็ให้ทั้งความขมขื่นแต่ว่าความรักก็เป็นสิ่งจำเป็นวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับมุมมองที่น่าสนใจของผู้เขียนเพลงนี้กับเพลงนิยามรักสำหรับช่วงที่สองมรดกวิถีไทยครับผมจะพูดถึงนิยามของความสุขกับการที่ได้เดินทางไปพักผ่อนที่หมู่บ้านเครีวงซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีวิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหมู่บ้านคิริวงศอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับช่วงที่สมมรดกภูมิปั ญ, ญญาไทยครับคุณผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีเกิดจากการรับประทานอาหารการใช้สิ่งที่ดีๆและเรามีสมุนไพรไทยที่เป็นนิยามของภูมิปัญญาไทยซึ่งวันนี้นาเสนอมะคำดีควายเป็น พือสมุนไพรที่สารพัดประโยชน์นะครับสำหรับในช่วงที่4มรดกทางภาษาวันนี้ผมมีนิยามแล้วก็เคล็ดลับของความสำเร็จในชีวิตนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับและทุกช่วงก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีเพลงเพ ล, เพลาะสลับสับเปลี่ยนมาให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินเรียกว่าถ้านึกถึงรายการมรดกไทยนะครับถ้านิยามของรายการนี้ก็คือสารดีเพลงเพลาะ แล้วก็ฟังสบายๆแล้วทำให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขความสบายใจนั่นเองก่อนจะพบทั้ง4ี่ช่วงนะครับขออนุญาตพักแป๊บเดียวแล้วกลับมาพบทุกช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ FM 89.5 MHz เมสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาถึงในช่วงที่หนึ่งมอรอดเพลงไทยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจเหมือนเดิมที่จะนำเสนอเพลงนิยามรักคุณผู้ฟังครับเราพยายามที่จะให้คํานิยามกับความรักรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กว้างมากนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเพลงนี้นิยามรักก็จะเป็นตัวแทนของคนที่ให้นิยามของความรักไว้ ในมุมมองที่น่าสนใจสำหรับเพลงนี้นะครับศิลปินนูโวผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณโจกับคุณก้องในอัลบั้มออกซิเจนคำร้องนะครับโดยคุณสุรักษุกเสวีสำหรับทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานฝีมือของคุณจาตุรน์เอมบุตรนะครับคุณฟังครับถ้าเอาเนื้อเพลงนี้มานั่งฟังแบบพินิษพิเคราะห์เราก็จะเห็นมีสองมุมของความรักนะครับ ก็คือความรักในเชิงบวกที่เขาบอกว่าฉันเพิ่งเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความหมายที่มีเพราะว่าฉันได้ลองเรียนรู้ว่ามันมีแต่ความจริงใจให้กันพึ่งพากันด้วยความอุ่นใจคอยดูแลแ ล, และห่วงใยให้แรงใจยามทุกข์มาเยือนนี่เป็นมุมมองในเชิงบวกของความรักคนที่มีความสุขจากความรัก แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีมุมมองในเชิงลบนิยามของความรักในเชิงลบนะครับยกตัวอย่างเช่นรักที่ฉันเคยเรียนรู้ไม่เป็นอย่างนั้นรักที่ฉันมองตรงข้ามกันไปเพราะว่าฉันมีความรักที่มีเพียงแต่หลอกลวงเรื่อยมาทําให้เจ็บจนวันนี้ไม่เคยหวังดีไม่เคยเห็นใจบทเรียนนี้มันปวดร้าวมันตอกย้ำให้เจ็บใจ เพลงนี้ขับร้องโดย2คนนะครับก็เลยมีนิยามทั้งบวกแล้วก็ลบในเรื่องของความรักคุณผู้ฟังครับคุณสุรักษุกเสวีได้เขียนเรื่องราวของเพลงนี้ไว้ในหนังสือชีวิตลิขิตเพลงนะครับผมจะหยิบยกบางส่วนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณสุรักษ์ได้กล่าวว่าเพลงนิยามรักเป็นเพลงที่วัยรุ่นยุคนูน้นต้องทําเสียงยาวๆหน่อยเพราะว่าแกล้งมาก ใช้ในการถัดเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงถ้าจะมีใครบอกว่าเพลงนี้เพราะดีก็จะยกประโยชน์ให้กับคนที่เขียนทำนองเพลงนี้ก็คือพี่ต๋ำจตุรนเอมบุตรเหตุเพราะว่ามีทำนองที่ฟังดีอยู่แล้วส่วนคำร้องที่คุณสุรักษ์เขียนนั้นเนื้อหาก็ค่อนข้างจะไม่พิเศษอะไรมากนักเพราะว่าคนที่เขียนเนื้อร้องนั้น จะเขียนเนื้อร้องได้เพราะเพิงขนาดไหนก็อาศัยการแต่งทำนองของผู้แต่งนี่แหละที่พอใส่คำร้องเข้าไปแล้วก็จะเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบคุณสุรักษ์บอกว่าผมเคยเขียนคำร้องให้กับโจโก้องนูโวแล้วก็พูดถึงความรักด้วยมุมของคนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปอาจจะดูคิดมากไปหน่อยสำหรับเพลงรักเพลงนี้ แต่ทีมงานก็ไม่เห็นมีใครทักท้วงว่าอย่างไรนอกจากพี่เอกทเนศวรากุลนุเคราะห์ซึ่งตอนนั้นเข้ามาคลุกคลีอยู่ในทีมแต่งเนื้อด้วยพี่เอกทเนศวรากุลนุเคราะห์มีความเห็นว่าน่าจะเขียนให้เป็นเพลงบวกแล้วก็มีความสุขด้านเดียวไปเลยซึ่งจะทำให้มันเป็นแบบนั้นก็ยํอมได้แต่ความเห็นที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเมื่อเพลงเสร็จทามาสเตอร์เสร็จแล้ว ต่อให้คิดจะแก้ก็คงแก้ไม่ทันแล้วเนื่องจากว่าการทําธุรกิจดนตรีนั้นต้องมีการวางแผนและนี่คือเกรปสั้นๆจากเพลงนิยามรักตอนนี้คุณฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาฟังเพลงที่มีเนื้อหาแล้วก็ทํานองแล้วก็การเรียบเรียงดนตรีที่อย่างไพเราะมากๆขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงนิยามรักจากนูโวครับ ว่าเป็นอย่างไรฉันเงเข้าใจความหมายที่มีเพราะฉันได้ลองเรียนรู้ว่า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 m on own.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 รับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร 026917738-9 คุณฟังครับเมื่อสักครู่เราฟังนิยามรักนะครับเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังมีนิยามของความรักจากประสบการณ์ของตัวเองว่าอย่างไรบ้างแต่ละคนก็มีความคล้ายคลึงกันบางคนก็อาจจะแตกต่างคนที่สมหวังในความรักนิยามของความรักก็จะหอมหวานมีแต่ความสุขสำหรับคนที่เดี๋ยวสุขเดียวทกุก็คงจะมีนิยามรักอีกแบบหนึ่งผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีนิยามรักที่แตกต่างกันไป แต่ว่าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกคนมีนิยามของความรักที่มีความสุขรักสิ่งแวดล้อมรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนมนุษย์รักหน้าที่การงานแล้วก็รักในหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำก็คือการเป็นพลเมืองดีนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงมรดกวิถีไทยวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับนิยามของความสุข ความสุขที่ว่านี้ถ้าเราได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ทํำกลางธรรมชาติเราก็เป็นหมู่บ้านที่ยังมีความงดงามตามธรรมชาติผู้คนนิสัยดีอากาศดีแล้วก็มีสินค้าโอท p อปที่ติดในระดับห้าดาวผมว่าอย่างนี้อย่ารอช้าเลยไปที่หมู่บ้านคิริวงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับ คุณผู้ฟังครับหมู่บ้านคิริวง์ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับซึ่งก็มีผู้คนอพยพอาศัยอยู่ที่เชิงเขาหลวงนะครับตำบลกำโลนอันเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวงถ้าสังเกตดูนะครับชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตที่สงบ จะอยู่กันแบบสังคมเครือญาติอาชีพหลักก็คือการทำสวนผลไม้ที่เขาเรียกกันว่าสวนสมรมเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าสวนสมรมเป็นอย่างไรสวนสมรมเป็นภาษาถิ่นนะครับแปลว่าสวนขนาดเล็กอาจจะเป็นสวนเกษตรที่ปลูกพืชหลากหลายเรียกว่าเกษตรผสมผสานมีผลผลิตตลอดทั้งปี ในสวนสมรณ์ก็จะมีมังคุดเงาะทุเรียนสตออื่นๆอีกมากมายชุมชนบ้านคีรีวงศ์นะครับก็ยังมีงานฝีมือเช่นอาจจะเป็นกลุ่มมัดย้อมกลุ่มสมุนไพรกลุ่มจากสารกะลามะพร้าวกลุ่มแปลรูปน้ำผลไม้กลุ่มวน์แล้วก็กลุ่มทุเรียนกวนซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็นของฝากนะครับฝากกันมากมายเรียกว่าใครมาที่นี่แล้วก็ต้องซื้อของฝากจะได้ทำให้ผู้รับเนี่ยอาจจะมีความสุขว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและที่สำคัญนะครับสินค้าที่นี่ราคาไม่แพงคุณภาพดีด้วยนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2531ตอนนี้ผมกำลังจะเล่าย้อนหลังให้ฟังว่าเป็นปีเดียวที่ กระทูลแล้วก็อำเภอพิปูลเนี่ยได้เกิดมหาอุทกธรณีภัยซึ่งหมู่บ้านถูกน้ำพัดพานเนี่ยหายเป็นร้อยๆหลังคาเรือนเลยนะครับก็ยังมีเพียงแต่วัดซึ่งชาวคิริวง์ก็ได้พยายามรักษาพระอุโบสถแล้วก็บ้านที่ประสบภัยไว้เนี่ยเป็นอนุสรสถานถ้าเรามาดูจุดเด่นนะครับจุดเด่นของหมู่บ้านคิริวง์ก็คือเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะว่าคิริวงตั้งอยู่่้ำกลางเทือกเขามีป่าไม้มีสายน้ำถ้าหากว่าใครที่ต้องการจะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจการพักในรูปแบบของโฮมสเตย์นะครับการลองชิมอาหารพื้นเมืองถ้าหากมาในฤดูผลไม้อันนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังก็จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ซึ่งผลผลิตผลไม้ที่หมู่บ้านคิริวงนะครับก็มีมากมายทีเดียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวคิริวงเขาจะมีอาชีพหลักก็คือการเพาะปลูกผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดเงาะหลองก่องชาวคิริวงในอดีตใช้เรือนี้บรรทุกผลไม้เพื่อนำไปแลกอาหารสิ่งของและสิ่งที่จำเป็นต่างๆจากผู้คนนอกพื้นที่ คุณฟังครับถ้าในเดือนเมษายนจนถึงกันยายนนะครับถ้าสนใจจะขึ้นเขาแล้วก็เดินป่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ชุมชนคิริวงเขาก็จะมีผู้นําทางมีลูกท้าบให้นักท่องเที่ยวได้ได้ใช้บริการนะครับเรียกว่าเราก็ไม่ต้องแบกสัมภาระเพราะว่าการเดินขึ้นภูเขาอาจจะเหนื่อยยากนิดนึง หลังจากนั้นก็ไปชมธรรมชาติไปถ่ายรูปนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังเลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อพร้อมทั้งชมการสาธิตนะครับสิ่งต่างๆที่พิเศษพิเศษเป็นสินค้าพื้นบ้านซึ่งเป็นสินค้าโอท็อที่ได้รางวัล5้าดาวมาดูตัวอย่างนะครับเช่นผ้ามัดย้อมนะครับย้อมด้วยสีธรรมชาติซึ่งชุมชนคีรีวง ก็เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วที่สำคัญนะครับเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Thailand Tourism Award ประจำปี 2,541 นะครับประเภทเมืองแล้วก็ชุมชนดูแล้วก็หน้าภาคภูมิใจแทนชาวบ้านนะครับเหตุผลที่ได้รับรางวัลนะครับเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ แล้วก็ได้พัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชนจะประกอบไปด้วยการนำทางการเดินป่ามีลูกหาบแล้วก็จัดที่พักแบบโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นองค์กรสำคัญที่จะช่วยดูแลนะครับให้ชาวาคิริวงได้บริหารจัดการเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณผู้ฟังไปที่นี่นะครับก็จะได้รับทั้งความสบายใจความคุ้มค่าเพราะว่านอกจากจะได้มาเที่ยวในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงามแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านพร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการสาธิตนะครับที่นี่มีการสาธิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติซึ่งก็จะนาความรู้และก็ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่ได้รับเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วก็แสดงให้คุณฟังและนักท่องเที่ยวได้เห็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วคนทีเดียวสำหรับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทําสีย้อมผ้าก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นจากต้นไม้นะครับมีเปลือกมีใบมีแก่นมีรากแล้วก็ผลซึ่งจะให้สีสันที่แตกต่างกันออกไปเช่น ใบหูกว้างให้สีเหลืองอมเขียวส่วนใบมงคุดก็ให้สีส้มกับชมพูใบเพกาก็ให้สีเขียวเข้มเปลือกลูกเหนียงนะครับให้สีน้ําตาลเข้มส่วนฝักตอก็ให้สีเทาแก่นขนุนก็ให้สีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นนิยามแห่งความสุขซึ่งก็อยู่ในประเทศไทยของเราแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เดินทางไปอุดหนุนนะครับ อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่คือการท่องเที่ยววิถีไทยที่เก๋ไก่ไม่เหมือนใครนะครับ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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th วิทยุราชมังคลทันญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุข คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงต่อไปมรดกภูมิปัญญาไทยก็จะพูดถึงนิยามของคำว่าสุขภาพสุขภาพที่ดีคือความไม่เจ็บป่วยและข้อสำคัญนะครับตอนนี้กระแสนิยมของการเลือกใช้สมุนไพรามาในการรักษาโรคมาบำรุงร่างกายหรือแม้กระทั่งนำมาเป็นยาทำสารพัดวิธีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ผลิตขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งใช้เป็นนานก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงสิ่งดีๆนิยามของสมุนไพรที่ดีและเป็นภูมิปัญญาไทยวันนี้ผมจะพูดถึงมะขามดีควายสปปรรพคุณและก็ประโยชน์มีด้วยกันมากมายทีเดียวนะครับต้นมะขามดีควายจัดเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางเดี๋ยวผมนึกก่อน ว่าผมจําได้ไหมเนาะต้นมะคำดีควายเป็นอย่างไรตอนนี้ใช้เวลานึกก็ยังนึกไม่ออกครับงั้นมาดูกันต่อแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเรือนยอดของต้นไม้ชนิดนี้นะครับจะหนาทึบลําต้นมักจะคดงอถ้าดูที่ความสูงมีความสูงประมาณ1 0บถึงสาเมตรเปลือกลําต้นจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็แตกเป็นร่องลึกตามแนวยาวนะครับยอดอ่อนแล้วก็กิ่งอ่อนนั้นมีขนสีน้ําตาล เป็นพัน์ไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณอาจจะป่าดิบแล้งในทุกภาคของประเทศไทยวิธีการขยายพันธุ์ของมะคำดีควายก็คือวิธีการเพา ะ, มะเมล็ดนะครับเรามาดูสรรพคุณและคุณค่าของมะคำดีควายเปลือกนะครับเปลือกของต้นเนี่ยอาจจะมีรสเืนขมนำมาต้มเอาน้ำเนี่รับประทานก็เป็นยากแก้กระสาย สำหรับผลก็ใช้รักษาอาการชันตตุคุณผู้ฟังทราบนะครับชนตุคือที่ศีรษะเป็นแผลเป็นสะเก็ดอะไรประมาณเนี้ยแก้เชื้อราแก่รังแคก็ได้สำหรับผลนำมาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ไปต้มกับน้ําประมาณสักหนึ่งถ้วยแล้วใช้น้ํนี่แหละมาทาลงบนที่ศีรษะที่บริเวณที่เป็นชันตุนะครับทาวันละสองครั้งอาจจะทาตอนเชา้าทาตอนเย็น ทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายนะครับหรืออาจจะใช้เนื้อผลหนึ่งผลนำมาตีกับน้ำจนเกิดเป็นฟองแล้วก็ใช้สระผมวันละหนึ่งครั้งจนกว่าจะหายนะครับเขาบอกว่าสรรพคุณของมันเนี่ยช่วยลดความมันบนหนังศีรษะบำรุงรากผมให้แข็งแรงช่วยขจัด ต, ตัวเหาไข่เหาอันนี้สำหรับเด็กประถมนะที่มีเหาแล้วก็ไข่เหานี่ใช้ได้ผลทีเดียวหรือนาไปหมัก นะครับเอาน้ำเนี่ยเอามาทาแก้โรคสะเก็ดเงินแต่ในที่นี้เขาก็เตือนไว้อย่างเนี่ยนะครับว่าต้องระวังอย่าให้เข้าตาเพราะจะทำให้แสบตาได้หรือถ้าเข้าตาเยอะตาจะอักเสบได้แล้วก็ไม่ควรทิ้งไว้นานจนเกินไปสำหรับตัวผลของมะขามดีควายเนี่ยใช้ผสมกับสมุนไพรอื่นๆเป็นยารักษาโรคได้เช่น รักษาโรคตัวร้อนโรคนอนไม่หลับนอนสะดุ้งผวาเขาบอกว่าแม้กระทั่งมีอาการสลบนี่ก็แก้ได้แก้สารพัดพิษแก้ไข้สารพัดได้มากมายแล้วนอกจากนี้คนที่เป็นร้อนในนะครับใช้ในการแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ปากเปื่อยแก้ฝีแก้เกลื่อนแก้พิษแก้หัดแก้อิสุอิใสโอ้โหพอดูแล้วครับคุณผู้ฟังเป็น ต้นไม้ที่มีประโยชน์มากๆถ้าผ่านการวิจัยการคิดค้นนะครับสกัดเอาส่วนต่างๆมาใช้นี่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรในประเทศได้อย่างคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับคราวนี้เปลือกของต้นนะครับนำมาต้มเอาน้ำเนี่อมารับประทานเป็นยาแก้ไอแก้พิษไข้แล้วก็แก้พิษร้อนผลก็ยังมีประโยชน์อีกนะครับนํามาผสมให้เป็นฐานทําเป็นยารักษาแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ แล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยแก้หอบผือตัวรากเองก็ช่วยแก้หืดแก้ไอได้สารพัดมาดูที่มเมล็ดครับมเมล็ดก็รับประทานแล้วจะทำให้ท้องเสียอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงใบอ่อนนำมาต้มกับน้ำใช้ดื่มรับประทานแก้อาการท้องผูกบางทีก็รับประทานเป็นยากแก้ไอในกรณีที่ใครถ่ายไม่ออกแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับส่วนรากรากของต้นมะขามดีควายนี่ ใช้ผสมกับส ม, มุนไพรอื่นๆเป็นยารักษาแก้ฝีในท้องได้ด้วยสำหรับผลก็ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงน้ำดีแล้วก็ช่วยรักษาผิวหนังผู้พองน้ำเหลืองเสียนะครับก็ใช้ประมาณทั้ง1 0 1ถึงผลก็นำมาต้มกับน้ำพอประมาณแล้วก็ใช้เฉพาะน้ำเน้นมาชะล้างหรือว่าแช่บริเวณที่เป็นแผลเนี่ยประมาณ5นาที โดยให้ทําทั้งเช้าแล้วก็ทําทั้งตอนเย็นนะครับประโยชน์ของต้นมะขามดีควายมีมากมายนะครับเช่นใบเนี่ยนำมานึ่งรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกได้อร่อยนะครับสงสัยน่าจะอร่อยเขาบอกว่าชาวบ้านตามชนบทมักจะนิยมนำผลมาใช้เป็นสารชะล้างแทนสบู่เพื่อชาระร่างกายใช้สระผม นำไปใช้ซักผ้านะครับเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือใช้ทําความสะอาดเข้าของเครื่องใช้เช่นเครื่องเพชรเพราะว่าเพราะว่าผลเมื่อนํามาทุบแล้วก็จะเกิดเป็นฟองคล้ายๆฟองสบู่นะครับคุณผู้ฟังมาดูมเมล็ดของมะคำดีควาดจะมีลักษณะกลมแล้วก็แข็งมีสีน้ําตาลดําสามารถนําไปใช้ร้อยทําเป็นลูก ป, ประคำได้เห็นไหมครับ ผลเนี่ยก็มีความเป็นพิษต่อสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์เลือดเย็นอย่างเช่นปลาดังนั้นจึงมีการนำมาใช้ในการเบื่อปลาแล้วก็ใช้เป็นยาฆ่ า, มาแมลงอีกประการหนึ่งนะครับผลของลูกมะคำดีควายเนี่ยสกัดเอาน้ำแล้วนำไปคลุกกับเหยื่อพิษใช้ฉีดพ่นต้นข้าวหรือนำไปวางในนาข้าวเพียงเท่านี้นะครับเขาบอกว่าก็สามารถช่วยกำจัดหอยเชอรี่ได้ คราวนี้สุดท้ายครับคุณผู้ฟังในเรื่องของการใช้ผลเพื่อสระผมคุณผู้ฟังจะเห็นแชมพูสระผมที่มีส่วนผสมของมะขามดีควายเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อรักษาชนตุร้ังแคเชื้อราในขณะที่สระก็ต้องระวังอย่าให้เข้าตาซึ่งได้กล่าวไปแล้วแจ้งไปแล้วในช่วงที่แล้วนะครับเพราะว่าจะทําให้แสบตามากแล้วก็ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากหรือใช้บ่อยจนเกินไปหากใช้แล้วให้ล้างออกให้หมดมิฉะนั้นจะทําให้ผมร่วง อันนี้ก็เป็นประโยชน์เรียกว่าถ้าเกิดผ่านการวิจัยการสกัดนะครับใส่ในสูตรปริมาณที่พอเหมาะผมว่าก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะครับใช้เป็นเครื่องสำอางสมุนไพรได้และนี่คือประโยชน์หลากหลายนะครับขอบคุณเว็บไซต์คุณค่าของสมุนไพรไทยซึ่งมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมากมายนะครับว่าแต่คุณผู้ฟังนะครับนิยมใช้สมุนไพรไทยมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราใช้มากนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าโ t o p อเป็นสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านก็ช่วยกระตุน้นแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ และไปดีกับใครคนนั้นก็คงไม่โทษเธอที่รักเขามากกว่าฉันก็เจ็บเหมือนกันแต่พอเข้าใจที่รักกันแล้วจะไปไม่ว่ากัน 特点。 ยังมีรักที่เธออยู่ตรง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 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับถ้าเราเดินไปถามคนสักสิบคนว่ามีใครต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างไหม ผมว่าเกือบทั้ง10คนก็อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินทองใช้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ผมจะขออนุญาตคุณผู้ฟังในการที่จะได้เล่าเรื่องราวของเคล็ดลับหรือนิยามของความสำเร็จในชีวิตผ่านในช่วงมรดกทางภาษานะครับคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ย มีการทำงานการเรียนการใช้ชีวิตทุกคนดูเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เห็นว่าโอ้ยทำไมชีวิตเราวุ่นวายจังโดยเฉพาะคนในเมืองทุกคนจะพูดว่าฉันไม่มีเวลาฉันยุ่งยุ่งมากถึงมากที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของหลายๆคนที่บอกว่าการทำงานหนกักการทำงานเต็มที่ก็อาจจะทำให้ชีวิตประสบความสาเร็จ ความจริงแล้วการประสบความสำเร็จนั้นก็มีวิธีการรูปแบบแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าใครจะค้นคว้าหาความสำเร็จในวิธีของตนเองได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการหาเงินมีรูปแบบของการพักผ่อนดูแลชีวิตของตัวเองตามเป้าประสงค์ที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้ดังนั้นก็มีวิธีมากมายที่หลายคนพยายามจะคิดสูตรแห่งความสาเร็จนิยามของความสาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นนิยามความสำเร็จในเรื่องของส่วนตัวการทำงานชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งการกีฬาการพักผ่อนทุกคนก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับดังนั้นคนที่มีเงินมากๆคนที่ร่ำรวยมาหาศาลบางทีก็อาจจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้เลยแถมยังจะทำให้รู้สึกว่าทาไมชีวิตของเราเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินแบบนี้ จะเรียกว่าชีวิตประสบความสำเร็จได้หรื อ, อยังนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตของแต่ละคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามที่ผมได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่ดังนั้นสิ่งที่วัดความสำเร็จของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองไปที่เรื่องของเงินเป็นหลักบางคนก็ฐานะการเงินบางคนก็หน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมแล้วก็มีการใช้จานวนของเงินหรือสิ่งของเนี่ย เอามาวัดว่าใครมีมากกว่ากันยิ่งมีเท่าไหร่ก็ยิ่งหาสิ่งที่ใหม่ที่สุดดีที่สุดใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือผมใช้งานมาไม่ถึงปีมีรุ่นใหม่ๆออกมาก็รู้สึกว่ารุ่นที่ถืออยู่ในบรก่าลแล้วต้องไปซื้อใหม่ก็เพิ่มภาระหนีสินให้กับตัวเองอีกในขณะเดียวกันบางคนก็มองถึงว่าการทํางานที่ตนรักนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าค่าตอบแทนก็แล้วแต่ว่าใครจะมองว่าอย่างไรแต่ว่า ถ้าต้องการให้เกิดความสำเร็จจริงๆในชีวิตนะครับภาพของตัวจุดมุ่งหมายนั้นก็เป็นภาพที่เราต้องมองให้ชัดแล้วก็ตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราชอบอะไรและจะไปวิธีนั้นได้อย่างไรเป็นวิธีที่เรียกว่าเรียบง่ายเป็นวิธีที่ถูกต้องตามศิลธรรธมนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือความรู้ความสามารถอันนี้เป็นปัจจัยแรก ปัจจัยถัดไปที่ทาให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือความพยายามความพยายามก็คือความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจผมเคยเห็นบางคนที่มีความพยายามมากแล้วก็ไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นก็ต่อสู้ฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จคนบางคนนั้นเจอปัญหามากนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ปัจจัยของความพยายามนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส้อนให้เห็นว่าความสาเร็จของคนทางานที่ชัดเจน ยิ่งขำมากเท่าไหร่อดทนมากเท่าไหร่ความสำเร็จก็ใกล้จะมาถึงมากเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังสังเกตัหยครับบางคนมีความรู้เท่ากาันมีความสามารถก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่คนที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่านั้นจะเป็นคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นแล้วก็ข้อสาคัญมีวินัยในตนเองที่สูงมากๆนะครับมาถึงปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือทัศนคติของการใช้ชีวิต แล้วก็มุมมองในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมนุษย์เรามักจะมีความคิด2แบบคิดในเชิงบวกกับคิดในเชิงลบเรียกว่าบางคนมีความสุขเพราะว่าคิดบวกถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก็สามารถมองปัญหานั้นให้เป็นเชิงบวกได้เอามาเป็นครูมาเป็นตัวที่ปรับใช้ในขณะที่บางคนนั้นอาจจะมองทุกสิ่งเป็นแง่ลบไปหมด เขาบอกว่าถ้าเรามองอะไรเป็นแง่ลบมันก็จะทําให้พลังงานชีวิตของเราเนี่ยลดลงดังนั้นทัศนคติในการใช้ชีวิตทัศนคติในการมองคนทัศนคติที่อยู่ร่วมกับคนจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันเราไปสู่ความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนก็พูดประโยคเสมอว่าอย่างฉันอย่างเราทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างเราจะทําแบบนั้นแบบนี้ ถ้าคิดแบบนี้แค่คิดเนี่ยก็ไม่สําเร็จแล้วนะครับให้นึกไว้เสมอว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเราทําได้ถ้าเราได้ลองศึกษาแล้วก็พัฒนาตนนะครับถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตที่แท้จริงต้องไม่ลืมให้ความสําคัญต่อทัศนคตินะครับการมองโลกในแง่ดีต่อสิ่งต่างๆหรือสถานการณ์ทั่วไปที่เข้ามาในชีวิตการที่เรามองโลกในแง่ดีไม่เสียหายหรอกครับ เพราะว่าจะทําให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขคนรอบข้างก็สังเกตได้การคิดเรื่องดีๆทําให้สมองแจ่มใสทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และก็สุขภาพจิตเราดีด้วยสุดท้ายความสําเร็จก็จะมาหาได้อย่างไม่ยากเย็นนักทั้งยังทําให้การใช้ชีวิตของเรานะครับมีความสุขสามารถที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆได้มากมายหน้าตาก็แจ่มใสใครพูดคุยใครอยู่ใกล้กับคนที่มีทัศนคติที่ดี เขาก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นทัศนคติการคิดในเชิงบวกจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญทีเดียวนะครับที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จครับ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 เพราะว่าเวลาของความสุขนั้นไม่ใช่เดินนะครับแต่ว่าเหมือนกับวิ่งเลยตอนนี้เวลาของรายการโมโรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุ่นผู้ดำเนินรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการมรดกไทยนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุผ่านในระบบออนไลน์หรือแม้กระทั่งฟังย้อนหลังได้ที่คลื่น f 89. m 89.5 m มก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งที่นี่เรามีทั้งสาระแลวก็บันเทิงที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ fm 89.5MHz เมสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี